ก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่า น, นท่านที่มาจากที่ไกลแล้วก็ที่ใกล้ที่ใกล้ก็ได้แก่ชวบ้า น, นตากลิทองแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงที่ไกลก็มาจากหลายจังหวัดนะกรุงเทพนะกะรศินเชียงใหม่ขอนแก่น กานทอดพระป่าในวันนี้นะที่จริงก็จะก็เป็นงานประจำปนะีของพระป่ามหาวันรวมทั้งญาติสนินวิสาหก็ว่าได้นเพราะว่าได้จัดทอดพระป่าในลักษณะนี้มาทุกปีทุกปีติดต่อกันมานานกว่าสิบปีแล้วนะนะแต่ก่อนก็จัดช่วง ปลายปีนะพฤศจิกาตอนหลังก็ย้ายมาจัดทอดกันเดือนมกราแยกเริ่มเดือนทีนะหรือในตอนทุกวันนี้เนี่ยก็ก็เป็นการทอดพระป่าเดืรนกา่เริ่มของยาสุริยสหายมีพี่ชายพี่สามต่อมารวมทั้งลูกทีลูกน้องนะที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เล็กนะเมื่อ ออกม า, าเราดูดก็มีความระ ล, ลึกถึงรนะวมทั้งเพื่อนๆนะที่เป็นุิสหายที่เรียนร่วมกันมาชั้นเดียวกันบ้างต่างชั้นบ้างห้องเดียวกันบ้างต่างห้องบ้างนะตั้งแต่เมื่อห0สบกว่าปีที่แล้วนะบางคนก็เรียนกันมาตั้งแต่น่นนะปีศูย์ก็54บปีแล้วหลายคนก็ไม่ได้พบหน้ากันมา เกือบ50ปีนะแต่หลายคนก็เจอกันอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยเลยเพรา ะ, ะเวลามีการทอดพระปาอย่างวันนี้นั่นเองแง่นงการทอดพระปาในวันนี้เนี่ยก็มีเป็นการรวมญาติแล้วก็เป็นการรวมมิตรเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้พบกันนะมานานก็ที่โอกาสมาพบปะ ก, กัน ในงานนี้ที่วันนี้เฉลยนะครัทั้งที่เป็นหมู่ญาติแล้วก็หมู่มิตรนะแล้วก็หลังก็มีมิตรนะที่เพิ่งรู้จักได้มาร่วมสมทบกันนะมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะครับหลายท่านนะก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วนะบางท่านก็เพิ่งมาครั้งแรกนะแต่ก็ให้ถือว่า ที่นี่นะไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่ที่เพื่อนรู้จักนะหลายท่านที่เพิ่งมาครั้งแรกแนละ้วก็อาจจะนไม่ถึงว่านะการมาถึงนี่มันจะยากลําบาก น, นะจะใช้เวลายาวนานนะแล้วก็มาถึงแล้วนะที่ทางก็ไม่ได้กว้างขวางเท่าไหร่แคบแคบศาลาหลังนี้นะก็แคบไปเป็นหลักใจ บางคนสงสัยว่าทำไมไม่สร้างสาลาให้ใหญ่กว่า น, นี้นะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะของทางวัดตั้งแต่เริ่มแรกก็คือว่าเราอยากจะใหะ้พื้นที่ในวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเป็นหลักนะส่วนพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์นะไมเกินพระชีหรือว่าประชาชนผู้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่า ให้อยู่พอพออยู่ได้นะเพราะว่าความตั้งใจของวัดนี้นก็คือให้ถือว่าธรรมชาติเป็นหลักนะส่วนที่วัสดั์เป็นรองนะคนที่มายอยูย่ก็ถือว่ามาอาศัยนะมาอาศัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ ย, ย, ยก็จึงพยายามรักษาเ น, นื้นที่ให้เป็นป่ารีธรรมชาติมากที่สุด ที่ที่จะเป็นสถานพักอาศัยเสนาสนะก็มีเท่าที่จําเป็นนะและถ้ามีก็ไม่ให้ใหญ่น ะ, นะความสูงของอาคารก็ให้ถือว่าให้ต่ำกว่ายอดไม้นะยอดไม้ต้องถือว่าสูงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ที่ทางอาจจะดูแคบๆนะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของวันนี้กว้างเย 3, ลย0ามพ้รไ่แต่ว่า 99% เป็นะเป็นพื้นที่ป่า 1% นเอไม่ถึง่เปอเ็นี่ ย, เ, ยเป็นพื้นที่ให้คนดูอาศัยนะเพราะว่าตั้งใจจะรักษาธรรมชาตินะให้คงเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ว่าสมัยนี้ก็เราไม่สามารถจะรักษาธรรมชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพราะว่ามีเหตุปัจจัยเยอนะเนื่องจากอย่างนี้นะคนก็ขยายพื้นที่ทำกินมากนะอีกอย่างหนึ่งก็สิ่งที่มีใ น, ในป่ามันก็การเป็นทรัพยากรที่มีค่า ป่าเนี่ยนะมันไม่ได้มายถึงที่ดินที่ยังไม่ได้จับจองแต่ยังหมาย ถ, ถึงไม้ที่ยังไม่ได้ตัดนะคนเหล่านี้เนี่ยพอเห็นไม้เนี่ยก็จถึงสูงแล้วนะว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นพอมาเห็นธรรมชาติวัป่ามหาวันนะก็ก็ยึดถึงแต่ว่านะจะตัดไม้ตรงไหนนะหรือว่าจะถามให้เป็นพื้นที่โล่งอย่างไรนะ การที่จะรักษาสภาพป่าให้อยู่ในสภาพเดิมจิงเติบไปได้ยากและยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันก็มีไยหลากหลายชนิดอย่างที่สำคัญนะก็คือไฟป่าที่จริงพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ได้หมายความเป็นไฟที่เกิดธรรมชาติแลอกก็เป็นไฟที่เกิดจากมนุษย์นี่แหละเุดขึ้นมาและไฟป่าที่เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่า ปีนก็หลายครั้งเนี่ยนะมันก็ทําให้เปล่าภูหลมเนี่ยก็อดท้ายไฟ ห, หรือการเกิดการเกิดมากขึ้นอยู่อย่างที่เราทราบนะเมื่อปีที่แล้วก็มีไฟป่าครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเมื่อเดือนเมษายนเป็นไฟป่าที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติการหรือปวัติศาสตร์ของภูหลงก็ได้นะ กูหลงนี่มอายุนี่เป็นหมื่นปีแล้วนะอาจจะหลายหมื่นปีแล้วอาจจะเป็นแสนปีแล้วไปได้แต่ว่ามันถูกไฟทําลายเนี่ยเผาผานมากที่สุดก็อยู่ปที่แล้วีหละเนะี่เสียหายก็สองพันไร่เป็นอย่างน้อยเลยไม่เคยมีการทําลายเผาผัานพื้นที่ป่ามากขนาดนั้นอย่างไรก็ตามนะไม่ว่าปัญหาหรูไทย จากคนหรือจากธรรมชาติจะมีมากเพียงใดนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาววัดแล้วก็ชาวบ้านนะือยเาชาวบ้านตาดลินทองที่พยายามช่วยกันรักษาเอาไว้นะและกำลังนะที่เราได้ในการรักษาป่านี้ก็ส่วนสำคัญก็ได้มาจากการอุปถัปถมภ์สนับสนุนนะของญาติโยมอย่างเช่นทุนที่ได้จากผ้าป่าในวันนี้เนี่ย แม้จะเรียกว่าบริวาร น, นะบริวารในที่นี้ก็คือเงินแล้วก็เข้าของที่กองข้างหน้าลักๆังนี่คือผ้าผ้านี่คือหลักเป็นประธานของผ้าป่าที่เรเป็นบริวารแต่อย่นี่บริวารก็สำคัญนะปัจจัยที่ได้ก็เอามาใช้สนับสนุนในการรักษาป่านะก็เป็นชิ้นที่มาเดนตลอดนะเริ่มแรกเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทีที่สิกว่าปีก่อนนะก็ มีคนกลุ่มเล็กๆที่เห็นความสำคัญของงานที่ทางเราทำแล้วกลุ่มเล็กๆนี้ก็รวมถึงพวกเพื่อนๆนักเดินชันชัน่ที่อยู่รุ่นเดียวกันนะก็มาหาเงินหาทองมาสับสเงินนะเพื่อการรักษาป่ารวมทั้งหารถมาให้นะซึ่ง่าคันนี้เนี่ยชื่อว่าสงสามนะตอนนี้ก็กลายเป็นเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เข้าสู่ตุ้นะ เพ่งเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วเองที่เพิ่งเข้าครูนะมารับใช้วัดมาถึงยี่สิบกว่าปีนะตั้งแต่ปีสามเจ็ดนะเพินะ่งเข้ากรูไปเมื่อปีห้าเก้างนะ 5, 9, นนยีนะ่สิบสองปีตอนนี้มีริ้วลมมาแทนร <c oughs> ิ้วลมนะ <c oughs> มาแทนริ้วลมนี่ก็เป็น <c oughs> เป็นรถที่คนเข้าบริจาคนะคนที่เจ้าของเนี่ยก็เป็นคนรักป่ามาก ก็เป็นคนที่พยยิยะขับรถเข้าไปในพื้นที่ป่าลึกๆนะแล้วก็ช่วยอลุกหนุสนสนัาบนการอนุรักษ์ป่าตอหลังเจ้าของรถก็เสียชีวิตนะพเพราะโรคมะเร็งภรรยาเนี่ยนะก็อยากจะอุทิศรถคันนี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นการสืบสารเจตนารมณ์ของสามีก็เลยมามอบให้ทางวัดเมื่อปีที่แล้วโดยพ่อไม่ได้ข่าวว่ามันไฟไหม้ ย, ย่างเมื่อเดินในสาย ก็เลยมามอบให้กับทางวัดก็คล้องจองกับสงสารพอดีนะลิวลงสมซารก็เลยเป็นเหตุให้สงสารเนี่ยถึงเวลาต้องเข้ากลุ่มนะเพราะว่ามีลิวลมมาแทนนะไม่งั้นก็สงสารก็คจะทรมานมากแต่ว่าสงสารนี่ก็รับใช้วัดนะอย่างถึงถึงเรียกว่านาทีสุดท้ายนะเพราะชุ่งที่ไฟไม่ป่าเมื่อเดือนเมษาเนี่ยก็ก็ช่วยนะผลขนขึ้นไปดับไฟมาก แต่ก็ชงศารก็เข้าปุ่ไปอ่าไม่คิดไม่ถึงว่าไม่นานเนี่ยคนที่ขับรถสนซารได้ข้องมากที่สุดเนี่ยก็เพิ่งเสียชีว์ไปนะเพิ่งผ่าเมืวานเมื่อวานนี้เลยนะที่เขี้ยวนะนี่ต้องแกเขี่ยวกับสงสานนี่ก็เป็นเหมือนกับเพงกันแล่ร้ว่าเป็ความบังเอิญหรือเปล่นะพอเอาสงสารเข้าปุ่นี่คนขับที่รู้ใจสงสานอีกก็เสียชีวิตไปเมื่อวันเสาร์เมื่วัที่เมว่วัสงสามวันก่อนนีเอง ก็เป็นการธรรมดานะของของของโลกนะที่มันมีความพันผวนแปรปรวนแล้วก็ความไม่คีรามยั่งยืนแต่แม้การ น, นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปาตามสภาพหรือว่าเป็นไปาตามเจตภากรรมป่ามก็มีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้ใครที่มาที่นี่เนี่ยนะตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วหรือสิปีที่แล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่าหมู่บ้านมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะถนนก็เริ่มดีขึ้นชาวบ้านก็มีบ้านที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ า, าสมัยใหม่มากขึ้นแต่เดิมก็ไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีสัญญาณโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีเสาอากาศเสาขยายสัญญาณในหมู่บ้านความเป็นอยู่ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับพวกเราการเป็นอยู่ของพวกเรานะก็ มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นแต่ไม่ว่าชีนเราจะทันสมัยโลกจะก้าวหน้าเพียงใดนะป่าก็ยังมีความสำคัญต่อพวกเราอยู่ป่ามีความสาคัญกับมนุษย์เมื่อ 2,000 ป, ปีอย่างไรวันนี้แล้วก็อีกพันปีข้างหน้าป่าก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าคนเราเนี่ย ไม่ว่าจะเจริญแค่ไหนเราก็ต้องการอากาศหายใจเราต้องอยู่ได้ด้วยน้ำและอากาศกับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้มาจากไหนส่วนก็ได้มาจากป่าแล้วก็ธรรมชาติเพรา ะ, ะนั้นไม่ว่าหมู่บ้านที่จะเจริญแค่ไหนนะโรจะก้าหน้าไปเพียงใดมนุษย์เราก็ยังขาดป่าไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความัดเต็มมากที่เราจะช่วยกันรักษาป่าเอาไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามาทอดภาาป่ากันที่นี่หลายคนที่มาคงจำได้ว่าอากาศมันไม่เหมือนแบบนี้เลยนะฝนตกนะแล้วก็หนาวไม่มีแดงเลยขนาดดูฝนมานะจากพุทธจมาพอมามะ ก, กราบ ก, ก็เจอฝนอีกนะอากาศตอนนั้นเนี่ยอยู่ท้งแปดองศานะ ปีนี้เนี่ยอากาศดีแต่ว่าภาคใต้มีน้ำท่วมนะอันนี้มันบอกอะไรกับเราบ้างมันบอกเราว่าธรรมชาติมันเริ่มปรปรายแวนั้งพันธุวนมากขึ้นทีนะการที่เราไเป็นตุนทางธรรมชาติการที่เราทําลายธรรมชาติทั้งเรารู้ตัวและไม่รู้ตัวเนะี่ยมันก็มีผลต่อเราไม่ทางหลก็ทางหนึ่งหรือว่าหลายทางพร้อมๆกัน การที่เกิดฝนแรงน้ําท่วมอากาศแปรปรวนนะรวมทั้งการเกิดโรคภัยนาชนิดนะที่ใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอเนะช่นอูโบโ ล, ล่าอูซาหรือ ว, ว่าชิกกาพวกนี้เนี่ยมันรู้แล้วแต่เป็นโภชการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ทนุทนอมธรรมชาติไม่เคุณค่าของธรรมชาติเท่าที่ควร ง้นถ้าเรายัางทาลายธรรมชาติต่อไปเนี่ยนี่เราก็จะเดือดร้อนแค่นี้ก็เป็นเหตุผลพเพียงพอแล้ที่จะที่พวกเราในการมาช่วยกันถึงความสํำคัญของธรรมชาติเอาไว้แต่ธรรมชาติมันไม่ได้มีความหมายนะพเพียแค่ทําให้เรามีน้ามีอากาศหรือว่ามีปัจจัยสี่นในการดำรงชีวิตอันนี้เป็นความจําเป็นทางกายภาพ แต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยเราก็ต้องการธรรมชาติเหมือนกันม น, นุษย์เราไม่ว่าจะเจอแค่ไหนเราจะมีความสุขใจไม่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติคนที่ตัดตัวตัดขาดจากธรรมชาติเนี่ยนะแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็จะมีความแห้งผ่าแห้งแรงแต่เมื่อก็ตามที่เรา ได้อยู่ทําการธรรมชาติเนี่ยจิตใจก็จะพุ้นตัวดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็พบว่าเนี่ยคนที่มีปัญหาเรืจ่จิตใจเช่นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะซึ่งมันเป็นปัญหาเรื้อรังของคนยุคนี้นถ้าได้ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเช่นไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะรู้สึกดีขึ้นที่เกาหลีตอนนี้ก็มีโครงการนะเรียกว่าป่าบําบัดนะป่าบําบัดนะก็คือบําบัดเดียวยาจิตใจคนเนี่ยโดยการให้มาอยู่กับธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมที่ประสานตัวเองเข้ากับธรรมชาติแล้วคนมีอยได้แค่สิ่ห้าวันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะแลระดับการเยียวยามากขึ้นที่จริงคนที่เจ็บป่วยนะแมแต่เจ็บป่วยทางกายเนี่ยถ้าหากว่าได้เพียงแค่เห็นธรรมชาติไม่ต้องเอาตัวเข้อยู่ทาําการธรรมชาตินะเพียงแค่ว่ามีหน้าต่างที่เปิดให้เห็นธรรมชาติ ต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าหรือเม่การคึื่นตัวของเขาจะดีขึ้นคนที่ผ่าตัดใหญ่แล้วก็มือในห้องนะถ้าหากว่าเป็นห้องที่มีหน้าต่างที่ทำให้มองเห็นธรรมชาติเนี่ยเขาจะคึื่นตัวได้ไวเ็าจะใช้ยาน้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ในสีวิตวันล้อมในห้อง และจะเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นโรงพียบารระดับ5ดาวแต่ว่ามีแต่กำแพงทุกทั้งสี่ด้านไม่ได้เห็นฟ้าไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นธรรมชาติการครื่นตัวจะจะช้าลงนะเดี๋ยวนี้ก็พบว่าคนสุขภาพดีขึ้นนะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่ท่อยู่ท่การอ ใ, ใกล้ธรรมชาติที่ฮอลแลนด์เนี่ยนะก็เพราะว่าคนที่อยู่นในรัศมีหนึ่งกิโเมตรรอบ พื้นที่สีเขียวเช่นสวนสาธารณะเนี่ยจะมีโรคน้อยกว่าคนทั่วไปหรือค น, นที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าไม่ต้องกิ่นโรคมะเร็งท่านก็ไม่ต้อ ง, งทําอะไรเลยนะแค่อยู่เฉยๆเน่แต่ว่าอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยมันก็น่าคิดนะ่เอ๊ะการที่อยู่ใกล้ธรรมชาติมันทําให้โรคเบาหวานมันน้อยลงได้ย่างไรงนะมันทําให้ ไอ้โรคหัวใจมันน้อยลงได้อย่างไรนะไม่ต้องพูดถึงโรคซึมเศร้านะซึ่งเป็นโรคเกีย่ยวไปกับจิตใจโดยตรงอันนี้มันแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยผูกพันพึ่งพิงกับธรรมชาติมากถ้ า, มาเมื่ใดก็ตามที่เราอยู่แยกขาดจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทั้งทาง จ, จิตใจแล้วก็ร่างกายอันนี้เป็นความจริงที่มนุษย์เราเพิ่้นพบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไ ด, ได้ได้พยายามที่จะเอาตัวเข้าไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติเนี่ย เราก็จะมีความสุขทั้งกายและใจมากขึ้นจึงบอกว่าเนี่ยไม่ว่ามนุษย์เราจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนนะป่าหรือธรรมชาติเนี่ยซึ่งอยู่กํามนุษมาเป็นล้านล้านปีเนี่ยมันก็ยังมีความสําคัญนะนอกจากความสุขทางจิตใจแล้วแม้กระทั่งการเข้าถึงธรรมะนะเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวเกื้อหนุนนะ พระพุทธองค์เนี่ยทรงค้นพบสัจธรรมเนี่ยนี่พวกเราทราบดีนะเราก็เลยมาแต่เล็กว่าพระเจ้าเนี่ยทรงตัสรู้นะพระสมรสมาติญาณเนี่ยลิ้มแม่น้ำเวฬุชราแต่สิ่งึงที่เราไม่ได้อาจจะไม่รู้กันก็คือว่าปัจจัยที่พระพุทธองค์เนี่ยทรนะงตัสรู้ได้เนี่ยนอกจากความเพียรและการมีปัญญาในการปฏิบัติอย่างถูกทางถูกวิธีแล้วเนี่ย ตัดใจที่สำคัญยังก็คือธรรมชาติที่รื่นดงพระพุทธองค์เนี่ยเคยจัดกับกับภาษาวกย้อนระสึกความหลังว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยยังเป็นพระโพธิตศัตว์แล้วก็บําเพ็ญเพื่อการตัดสรู้พระองค์เล่าว่า เ, เมื่อพระองค์มาที่วิเมณฑ์เมรัชราเนี่ ย, รยพระองค์พบ ว, ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นมาก พระองค์ตัดคานองนี้ว่าเนี่ยสถานที่นี้เนี่ยเป็นที่โรมนีมีภัยสมร่มรื่นน่าชื่นบานมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสไหลยเย็นชื่นใจสถานที่นี้เนี่ยเหมาะกับการบำเพ็ญทมจริงหนอและพระองค์ก็ตรัสว่าเราจิง น, นั่งลงหน้าที่นั้นนะและตกลงใจว่า จะบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ตรงนั้นแล้วคืนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ตัดสรูรนะตอนยามรุ่งอั้น่นาทิดว่าถ้าพระองค์ไม่เจอสถานที่อย่างนั้ำเนี่ยที่เป็นที่โรมมือคือแม่น้ำยันชราไม่มีภัยสมร่มรื่นน่าชื่นใจไม่มีแม่น้ําไหลผ่านน้ําใสเย็นชื่นใจเนี่ยพระองค์จะสามารถตัดสรูรทำด้วยพระองค์เองได้หรือเปลา่า หรือว่าอาจจะไม่ใช่ในวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราชาวพุทธเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นนิบุญคุณนะธรรมชาติอันร่มรื่นเป็นลมนี้นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยให้พวกเนี่ยสามารถจะบรรลุธรรมได้นะแล้วพวกเราชาวพุทธก็ต้องถือว่าเป็นนีิบุญคุณเป็นนีิบุญคุณธรรมชาตินะทั้งในฐาน่าที่เป็นสถานที่อำนวยามสวให้เกิดการตัสรูปธรรมะสัมพุทธิยานนำพา มนุษยสุขผลานการพ้นภูตไปจนถึงว่าเราได้รับความสุขความสบายได้รับสิ่งอานวยความสะดวกแล้วก็ได้รับสิ่งที่จะเป็นต่อชีวิตจากธรรมชาติสมควรที่เราจะช่วยกันรักษาเอาไว้ไม่จำเป็นจะต้องมาทาที่นี่ก็ได้เราก็ไปช่วยกันอนุรักษ์ที่อื่หรือช่วยกันฟื้นฟูแล้กรทั่งในถิ่นฐานบ้านช่องของเรา นะเพื่อให้เกิดความให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเราเองแล้วก็เพื่อลูกหลานของเราถ้านะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้การรักษาสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างลมม น, นีสถานเนี่ยให้เจริญงอกงามนะแผ่ไยศาลที่ทุกฝายพระธรรมวัาตรามหาวั น, นก็ ก็ต้องขอบคุณนะญาติโยมญาติสนิทเสือหายที่ได้มาช่วยอุปถัมภ์สนับสนุนการรักษาป่าเป็นกําลังคุดมให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านตากลินทองในการทำงานเพื่อการรักษาป่าที่จริงป่านี้เนี่ยมันเป็นป่าของรัฐบาลตามกฎหมายเนี่ยอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้นะจริงๆแล้วเนตามกฎหมายเขาไม่อนุญาตให้ ให้มนุษย์เนี่ยแม้แต่พระเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะเพราะมาเป็นป่าต้นน้ําชั้นหนึ่งเองป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งเองเนี่ยเขไม่ได้ให้มนุษย์เข้ามาอาศัยหรือว่ามีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่นี้นะแต่ว่าเราก็ได้รับการผ่อนผันนะเพราะว่าทั้งวัดเองพระเองชาวบ้านนีก็ช่วยกัน ร, รักษ า, าไว้ถ้าไม่มีพระไม่มีชาวบ้านก็คงจะกลายเป็นเขาวหวร่นเหมือนกับที่เราเห็นตามสองข้างทาง นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับอนุ ญ, ญาตและการผ่อนัาให้มาช่วยดูแลนะแล้วก็ก็เลยมีการอนุ ญ, ญาตให้เราให้ชาวบ้านมีป่าชุมชนนะซึ่งก็กินเนื้อที่กว้างนะประมาณ3าสี่พันไะร่อันนี้ก็เป็นงานใหญ่นะซึ่งอาจจะเตือนกำลังของชาวบ้านและของชาววัดนะถ้าไม่รับการช่วยเหลือนะเอื้อเฟื้อจากพวกเรานะแล้วก็อีกมากมายนะ ซึ่งไม่ได้มาที่นี่นนะก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยแล้วก็ก็ถือเป็นโอกาสน ะ, อ, ะอย่างที่บอกไวน้ะ้แต่ตอนต้นว่าการที่มีผ้าป่านี้ก็เป็นโอกาสให้ญาติมิตรได้มารวมมาพบปะกันทั้งรวมญาติรวมมิตรนะแล้วก็ก็ถือโอกาสนี้เนี่ยนะที่ที่ผ่า น, านมาแล้วก็ได้แต่ทําบุญเพื่อการรักป่าแตนะปีนี้พวกเราก็ระลึกถึง พิสหายนะที่เคยร่วมชีวิตกับพวกเราแล้วก็ได้ลาจากไปนะหลายคนเมื่อปีที่แล้วก็มีคนนึ่นนะกมาร่วมทอดผ้าป่ากับเรานะแต่ว่าทีนี้เขาก็ไม่มาแนละ้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตนะเราก็เราถึงเพื่อนเหล่านั้นรวมทัง้งครูบาอาจารยนะ์ที่สอนนั่นือเรามาที่ตรงนี้สชันะไม่ว่ารุ่นเดียวัตามารหรือว่า นักเรีนที่นะเราก็มาโอกาส น, นี้มาระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็พี่สหายที่ที่ระลึกรวมนี้ไปนะก็เป็นโอกาสทีได้ทำบุญที่ส่วนส่วนให้กับเขาด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ได้ในทครับพิธีนะการ อ, อ, อุทิศส่วนส่วนให้กับเขาไปแล้วนะแล้วเราก็แณนที่เราขวด น, น้ําจากนี้ไปนะก็ขอระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นด้วยทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ ทั้งที่เป็นวิสหายรวมทั้งอุป ก, การีนะผู้มีบุญคุณกับเรานะอันนี้ก็พูดลวไปถึงญาติโยมทุกท่านนะที่มาที่นี้นะก็ให้น้อมจิตระลึกเพื่ออุทิศส่วนสุศให้กับท่านเหล่านั้นที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณพระเสด็จพระนารอํำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนะ่าสุขคาภะ เพื่อเป็นภาะปัใจจัยในการทำความนี้ให้ถึงพร้อมทั้งด้วยทานเสียภาวนาขอให้มีปัญญานะพาจิตออกจากความทุกข์ปลอดภัยเข้าถึงความสุขเกษรสารผ่านพ้นอุปสรรคทั้งในชีวการงานไปได้ดยดีตนทั่งเข้าถึงความสมับเย็นแห่งชีวิต มีพระวิปั้นเป็นที่หมายวิปันที่ควรเ อ, อ, อเื้ออาทรเกิดนามยัะถาบริวหาปุราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตตินานางเตตานาอุปกะกปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิโกเมวัสมิชัตุสัเพปูเรนตุสังกปา จันโผปะนัโสยะหามันีโชติระโสยะหาติเทโยวิวะจันตุสัพพะโร ตาร์โอ กายสวัสดิวสวัสดิ์จิ